ก็ความเจริญในธรรมจุมีดท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมประโพธิญากำรมังประรบเรื่องจุดเด่นที่ควรสนใจในปฏิจจสมุปบาทก็กำลังอยู่ในประเด็นที่ว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นภาวะจักที่เป็นเหตุเป็นผลเกี่ยวเนื่องถึงกันคือชาติก่อนชาติก่อนก่อน ชาติปัจจุบันและชาติต่อไปแต่ว่าชาติต่อไปนั้นก็ทําหน้าจี้เพียงทรงกิเลสกรรมสร้างวิญญาณขึ้นไปปฏิสนธิจากนั้นก็เป็นชาติต่อไปแล้วแล้วก็เชื่อมโยงอยู่กับชาติปัจจุบันระยะสั้น กระบวนการเหล่านี้เป็นอาการที่หนุนเนื่องกันทั้งกิเลสกรรมและวิบากกิเลสนั้นาสรรบใดที่ยังไม่หมดไปศาสรนั้นการทําการพูดของคนก็จะเป็นกรรมเพียงแต่ว่าเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือเป็นการกลางแต่เด็กแล้วเมื่เอเป็นกรรมก็ต้องมีผลที่เรียวกว่าเป็นวิบาก ตัวสาเหตุใหญ่อย่างที่ประรบไว้ในวันกรก็คือวิชากับตัณหาเราเกิดมาในโลกทรมกลางอาวิชช า, าเรามีแต่เรื่องไม่รู้กับไม่รู้นะมากที่สุดแล้วก็ไม่มีใครที่จะรู้อะไรได้ทั้งหมดวันอุปการธรรมต่างๆที่พระเจ้าทรงแสดงสั่งสอนก็เพื่อบรรทันความเข้มข้นรุนแรงของอวิชชา วันก่อนได้กล่าวสรุปว่าก็อยู่ที่ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเรามองโดยสรุปอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือปัญญาตัวเดียวหรือวิชาตัวเดียวป้าตากว่าวิชาเกิดแล้วอวิชาก็จะลดความรุนแรงลงไปโดยลําดับสัพพกิเลสอน า, นาชนิดก็ลดความรุนแรงลงไปธรรมะที่สืบเนื่องมาจากวิชาก็จะ จเจริญเติบโตมากิ่งขึ้นก็เป็นกระบวนการเราทำนองปลูกพืชอย่างที่ยกตัวอย่างไว้เสมอเนี่ย like ท okay> ี่จริงมันมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างเงี้ยแบบน้ําไหลคลสว่างฝนตกแดดออกเนี่ยมันเป็นกระบวนการของมันอย่างหนึ่งเกิดอย่าหนึ่งก็เกิดเกิดก็ทยอยกันไปมาเหตุปัจจัยมันดับมันก็ดับเบียปัจจัยเกิดใหม่มันก็เกิดต่อกันไปเรื่อยๆแต่ในความเป็นสังสารวัจจ์เนี่ย คือตัวเหตุหลักก็คืออภิชาตร น, นั้นตราบใดที่อภิชาอย่างไม่หมดเนี่ยการหมุนวนในสังสาระจักก็ต้องมีดังนั้นคนที่หลุดพ้นจากสังสาระทุกข์หรือสังสารจักได้เนี่ยจึงมีเฉพาะพุทธบุคคลสามประเภทเท่านั้นเองคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธพ ร, พ, พระพุทธเจ้าพุทธะและก็สาวกพุทธะหรือว่าอนุพุทธะนอกจากนั้นแม้แต่พระนาคามีเอง ซึ่งถือว่าสูงสุดแล้วบรรดาพระรยะสาวกแต่ว่าท่านก็ยังต้องเกิดอีกก็หนึ่งชาติแม้จะเกิดเป็นพรหมอยู่สุทาวาดก็คือเกิดนะครัพระวิชาท่านยังดับไม่หมดดังนั้นเมื่อทำลายมูลเหตุลงไปได้สังสารวัจจก์ก็จะหยุดพุน แต่ว่าทำยังไงในชีวิตประจำวันเนี่ยคืออย่าให้หมุนในรูปของกิเลส ก, กรรมวิบากหรือหมุนในรูปของธรรมะกุศลละธรรมแล้วก็มีวิบากที่เป็นเป็นสิ่งดีงามทั้งหลายนะครับคํานคำสอนจึงออกมาในการเน้นย้ำเรื่องการเจริญกุศลก็โดยไม่ให้ผู้ฟังรู้สึกอมันรุงรัง พอตารุงรังแล้วเขาก็ขยาดในตัวจำนวนของธรรมะดังนั้นเราจึงพบธรรมะบางทีก็ข้อเดียวนะฮะบางทีก็สองข้อบางทีก็สามข้ออะไรเนี่ยเดยคนยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติแต่ว่าเชิงกรรมแล้วมันกระจายเป็นวิบากแบบการปลูกพืชดังกล่าว ในสูตรตรงนี้จะทรงใช้ขาให้เรามองถึงกระบวนการของเหตุผลสองกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นด้วยอวิชาหรือว่ากิเลสอะไรก็ตามนะมันก็จะนำไปสู่กิเลสประเภทต่งางเริ่มต้นจากโลภก็ได้โกรกก็ได้หลงก็ได้นะฮริศยาก็ได้ยกตัวอย่างเราเราเร า, เราเริ่มที่โลภเนะี่ย เริ่มที่โลภเนี่ยถ้าเราได้เราโลภต่อเราได้ตามที่โลภ ก, ก็โลภต่อได้ตามที่โลภ ก, ก็โลภต่อแล้วถ้ามากไปก็โลภล่วงไปถึงสิทธิของคนอื่นแล้วต้องการครอบครองให้ได้แต่ครอบครองไม่ได้ก็าอาจจะประทุสร้ายต่อชีวิตประทุสร้ายต่อทรัพยรร์อรรปรยกันใหญ่เลยกลายเป็นศึกสงครามมันก็เริ่มต้นมาจากความโลภถ้าเราดูภาพใหญ่เลยเาภาพศึกสงครามในแต่ละเรื่องเนี่ย เอาที่วรรณคดีของเราก็ได้คุ้นๆกันเอาจุปนักาดีอะไรละ่ะเอาเรื่องราวมาเกี่ยนเรื่องขุนสร้างขุนแผนเรื่องอิดเนาะ เ, เรื่องพระภัยมณีเรื่องอะไรเนี่ยอลองสังเกตดูฮะถ้าเราสาวไปถึงที่มาจริงๆเรื่องพระภัยมณีนั้นมันเกิดจากความหลงก่อน คือพ่อของพระเจ้าพระอภยัยมณีกับศรีสุวรรณพระเจ้าสุทัศน์เนี่ยก็ส่งลูกไปให้ศึกษาและเรียนก็น่าจะตามใจคนเรียนแล้วก็วิชาที่ทั้งสองท่านเรียนมาเนี่ยก็สามารถที่จะปกล้องบ้านเมืองได้นะแต่ว่าก็ไม่ถูกใจพ่อก็เกิดโทสะเห็นยวแมมันเริ่มที่โมหะคือไม่พยายามทำความเข้จัจกันแล้วกเกิดโทสะก็คือไล่ลูกออกไป พระภัยมณีสีสวรรค์ก็ไปเจอกับพวกพราบมันก็เกิดโลภะที่จะแสดงความสามารถของตัวเองก็ทำนองโอวดนิดหน่อยนะแล้วก็แสดงกันไปแสดงกันมาจนถึงพระภัยมณีก็ไปแสดงเพลงกระ บ, บีขึ้นมาไอ้เพลงปีขึ้นมาแล้วจนานางตีเสื้อสมุด ก็เกิดพอใจก็เกิดโลภะในเสียงก่อนนะฮะพอเห็นรูปแล้วเกิดพอใจในรูปเป็นความกำนัดที่แรงมากจนไม่ได้คำหนึ่งถึงอะไรถึงยากถึงคนถึงอะไรเลยเพราะตรงนี้แล้วสัตว์โลกจะลืมจากไหหมดพอราคามันจัดเนี่ยมันจะไม่ลืมความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรไปหมดเลยหรือไม่ได้คิด แต่เพียงแต่ว่ามุ่งตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่นั้นเองผนผีเสื้อสมุดก็มาจับประภัยมณีไปก็โดยความรักความหวงความหวงเนี่ยแล้วก็ต้องใช้วิธีหลอกแต่แม้หลอกบางก็เป็นอาการของโลภโมหะเพราะหลอกก็คือไม่จริงไม่จริงก็ต้องจับได้มันหลอกอยู่ได้ไม่นานหรอก ใครจะเก่งยังไงก็ตามก็หลอกใครอยู่ได้แน่ๆในสุดก็จับได้จับได้ซึ่งถ้ายอมเข้าใจสักหน่อยนะมันก็จบตอนพระภัยหนีไปกับสินสมุติเนี่ยก็ควรจะจบแล้วก็เกิดโลภเกิดโทสะต่อไม่ยอมรับอะไรเลยใครขวางก็โกรธฆ่าหนังเงือกทั้งพ่อทั้งเมียทั้งผัว เพราะว่ามาช่วยคนมาเอาคนที่ตนรับไปเห็นไ้มเราจะเห็นกิเลสตลอดแต่ว่าการแสดงในเรื่องเหล่านั้นมันแสดงในรูปของการคือว่าการกิเลสหรือธรรมะเนี่ยมันเป็นความเห็นไหมความดีความชัว่วความร้ายต่อบาปความศรัทธาความเพียรจะพูดเป็นความแต่ความเนี่ยเป็นนามธรรมอ่ะมันไม่เห็นเดงบอกไปเป็นการคือการทําการพูดการคิ ด, ก า, คดการคิดก็ไม่เห็นนะรูที่การทําการพูด แต่ทีนี้ก็ต้องมีผู้ทําเพราะาเราจะดูที่คนในวันนคดีทั้งหลายเนี่ยถ้าเราเข้าใจในแง่ของธรรมะเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงก็คือวิถีของธรรมะเพียงแต่ ว, ว่าอยู่ในกุศลเรื้อกุศลเท่านั้นเองแต่นั้นในเรื่องพระไปมณิกรลากไปเรื่อยๆแต่เป็นอาการของโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะฤทธยาแข็งถี่ไปกันเรื่อยๆจนกลายเป็นสงครามมาร ก, กันอุตรุลแล้วในพวกเอง พวกเดียวกันทั้งนั้นเละรบ ก, กันเองเราจะดูเรื่องขุดช้างขุนแผนมันก็เกิดมาจากโลภะโมหะราคะจริงๆคือราคะนะความกำหนัดในต่างเพศของขุดช้างขุนแผนทั้งคู่อันแหละเดี๋ยวในสุดมันก็เละเทะไปตลอดสายเราลองทั้งเกีเพวเราเรื่องผู้หญิงอย่างเดียวขุนแผนในสะบักสะบอมีตลอดซึ่งเรามาเกี้ก็เป็นอย่างนั้น นั่นก็คืออาการของกิเลส ท, ที่ที่เห็นได้ชัดเจนว่าถ้าตรงไหนที่มันวิชามันเกิดขึ้นต่กิเลสต่างๆจะลดลงยกตัวอย่างเช่นสีสุวรรณรบกับสินธหมดเนี่ยแต่ น, นั้นก็คือคนคนแต่มันรบกันด้วยโทรศัพท์บกันด้วยโทรศัพท์ ศีสุวรรณก็ตื่ว่าเสียศักดิ์ศรีที่กองทัพมาเหยียดติงสินสมุติก็อวดดีก็รบ ก, กันไปรบ ก, กันมาแต่ว่ากำลังรบ ก, กันอยู่เนี้ยมันก็เกิดมาเป็นโมหะแล้วก็เกิดมาเป็นสงสยัยสงสัยรูปร่างหน้าตาของสินสมุติสงสัยมากก็คือแหวนและในอืกก่นก็รู้ว่าใครเป็นใครก็กอดร้องไห้กัน เลยว่านั่นคือคือเกิด ค, ความรู้ขึ้นมาพอเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยโทสะมันก็เปลี่ยนโมหะมันก็เปลี่ยนโลภะมันก็กลายออกไปเพราะเกิดความรู้ขึ้นมาปัวเดียวเท่านั้นเองนั้นตัวไม่รู้จึงเป็นโคตรของปัญหาทั้งหลายในทุกเรื่องแต่ว่าในภาคของการปฏิบัติเนี่ยคือถ้าเอามากเกินไปสมมุติเราไปศึกษาพิธรรมอบิโด แล้วก็คิดจะปฏิบัติตามนั้นแหละมันเครียดเลยแต่ไปทํามิดกเป็นการพูดในลักษณะของอธิบายต้นไม้ทั้งต้นอธิบายเรื่อยๆนับใบเล่นไปเรื่อยๆสเกตกระพี้เปลือกก็นับไปเรื่อย ๆ, ๆก็เลยเยอะไปหมดเลยที่จริงมันมาจากต้นไม้ต้นเดียววันกิเลสหรือธรรมะเนี่ยกิเลสทั้งหมดมันมาจากกิวิชาเป็นบุญแรกธรรมะมันก็มาจากวิชาเป็นมุญแรก มันกันโลกเ น, นี่ยมันมีเทววิภ า, าวะคือความจริงสองด้านถ้าด้านสว่างปรากฏคือตอนกลางวันเนี่ยสิ่งต่างๆที่เคยมีตอนกลางคืนมันก็หายไปแต่ว่ตกกลางคืนสิ่งที่เราเห็นตอนกลางวันมันก็หายไปเวลานี้มไนควยฟ้ามันเยอะแต่นั้นเองนะฮะยังมีแสงสว่างอยู่จึงเห็นอะไรได้นั้นศาสน า, าพุทธจึงเน้นที่การพัฒนาปัญญาจนทรงแสดงว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ปเป็นสุด เราทำยังไงใจะใช้ปัญญาวิเคราะห์ในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสื่อทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านมาในชีวิตประจำวันของเราสื่อี่เรียกว่าร้อยทั้งร้อยนะมันยั่วยุกก็ย่ว ย, ยวยนเท่านั้นเองจะไม่มีอะไรซัำซ า, ากซากอยู่งั้นนะแล้วบางทีถ้าเราถามตัวเราเองเนี่ยว่าเราได้ประโยชน์อะไรมันนึกไม่ออกนะัได้ประโยชน์อะไร เออถ้เป็นนักเรียนเขาอาจจะออกสอบเรารู้ไปก็เท่านั้นนั่ก็จบมันมีอะไรเกิดขึ้นแต่นั้นเองแต่มันก็สนองตอบสัญชาติตยานของมนุษย์ที่ชอบรู้เรื่องคนอื่นเจบสนใจเรื่องคนอื่นที่จริงข่าวเนี่ยมันจะนำเสนอว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างดีก็ทำอย่างไงก็าทานั้นเองแต่ถ้าเราถามเราได้อะไรเราดูข่าวแต่ละคืนแต่ละคื น, เ, นเราได้อะไร บางทีไม่ได้อะไรแต่ถ้าคิดเป็นนะได้นะแต่คิดเป็นนะได้เพราะว่าบทเรียนธรรมะที่จริงมันก็คือเรียนจากสื่อทั้งหลายปุเจ้าของเราเองก็ทรงเรียนจากสื่ออย่างที่เคยยกตัวอย่างมาในตอนตอน้ตนๆแล้วก็ไม่ได้ประดิบประดอยอะไรก็เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาเข้ามันเพียงแต่ว่าทรงมีปัญญาในการมองในการคิด แล้วก็จะกลับกลับไปสู่หลักการมนุษย์ก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์ประเภทอภิมนุษย์เพราะ่าไทยมันสูงโดยธรรมชาติจะสูงผิดผิดสามัญมนุษย์ออกมากๆสูงจนไม่น่าเชื่อนะฮะเรานึกถึงภาพเด็กเจ็ดขวบคนหนึ่งที่นานๆจะออกจากหวังสักครั้งหนึ่งนี่น่าจะเที่ยววิ่งเล่นนะ แต่ก็ไม่ได้วิ่งเล่นนะไปนั่งสมาธิในขณะที่คนดูการพิธีแรกนาควันกันนะจระชาที่ิธาเกิดนั่งสมาธิแสดงว่าพระไทยสูงมากเลยยกระดับพระไทยขึ้นมาเหนือกระแสอารมณ์ที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยจะตามปกติแล้วมนุษย์จะถูกดึงเข้าสู่บรรยากาศที่เกิดที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น ให้ลองดูว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนมากจะดึงคนเข้าไปสู่จุดเดียวกันแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า ก, กิจกรรมนั้นเป็นเรื่องร้ายนะฮะเป็นเรื่องร้ายเช่นสมมติว่าในท้องสนามหลวงคนอยู่กันเยอะแล้วก็มีเสียงระเบิดบึ่มขึ้นมาเนี่ยตาทุกคู่ต้องกลับไปอยู่ตรงนั้นและในที่สุดก็ อาจจ ะ, ะค่อยๆเดินเข้าไปหรือกลูกเข้าไปก็แล้วแต่สถานการณ์เนี่ยจะกลูกเข้าไปดูเรามองเหตุการณ์ที่เกิดเหตุแต่นอนหกตุลาเนี่ยจดูทางโทรทัศน์แล้วก็นึกเห็นภาพสัญชาติญาณของสัตว์โลกมียิงมาปุ๊บคนก็วิ่งกลับไปเป็นแถวก็หายิงก็วิ่งก็ไปอีก ยกไปโยกมายกไปโยกมาอย่างนี้คือคนสนใจอยากรู้เรื่องคนอื่นเนี่ยโดยไม่ได้คำหนึ่งถึงไฟ อ, อันตรายอะไรแบบนี้นั่นก็คือธรรมชาติเพราะมันมีโมฆะอยู่มันมีอวิชชาอยู่มันมีตัณหาอยู่มันมีอุปาทานมันมีภพอยู่เพราะถ้าก็สอนในแนวของการลดอวิชชาเพราะถ้าลดอวิชชาตัณหามันจะลดมันจะเลือก มันจะเลือกอยากได้อยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากจับต้องแล้วก็ขีดเส้นขนานเอาไว้คือไม่ล้าเส้นสิ่งธรรมออกไปเพราะตญหาเวลาเกิดเนี่ยที่จริงเมื่อก็เกิดทางประสาทสัมผัสเนี่ยโดยเกิดได้ทุกจุดด้วยนะหมายความว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจงมูดกดมกลิ่นลิ้มรสกายจับ ต, ต้องหยียดอบร่างกาย น, นี่เกิดตาหาได้ทุกอย่าง ปัญหาก็เขาเรียกว่ารูปปัญหาตัญหาในรูปคันธะตัญหาเอสสถานะปัญหาปัญหาในเสียงคันธะัญหาตัญหาในกลิ่นและสาานาตัญหาในรสบทถภัณหาตัญหาในยินและนอนแข็งแล้วก็ธรรมตัญหาตัญหาในธรรมารูปแต่มันเกิดจากการเหนียวนึกจึกนึกเกิดจากการวิตกวิจารณ์เกิดจากการน้อมใจอะไรอะไรก็สารพัดนี่งไม่จะเกิดขึ้นแต่ทีนี้เราอยู่ในยุคสื่อสาร โทรค ม, มนาคมยุคสารสนเทศไม่ใช่สื่อบริสุทธิ์เป็นสื่อของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่ต้องการได้ผลประโยชน์ถ้าเราดูให้ดีเนี่ยบางทีมันไม่คุมม้มนะและยังคนที่มีภารกิจการงานมากเนีย่ยเช่ว่ามีโทรทัศน์อยู่ได้นานๆจะดูสักทีนึวงว่างๆยังเลยดูสักทีนึง ก็เช็คดูมีข่าวกราวเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็ดูแต่ไม่อาจสนใจคือคนเรามไม่มีเวลาไปดูอะไรเขาตลอดหรอกตอเราคิดดูให้ดีแล้วมันก็ไม่เคยคุ้มอะไรที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือข่าวที่ออกมาในรูปของการไม่สร้างสรรพัฒนาสร้างสาภาพผอหอเหี่ยวให้เกิดขึ้นไปในจิตใจเนี่ยปัญญาจะต้องออกมาวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารดอกนั้น พระเจ้าทงชชยคําว่าปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตะคือสิ่งประสบการณ์พูดแนวประสบการณ์ฮประสบการณ์ทางภาษาสัมผัสเนี่ยต้องใช้ปัญญาวินิจฉัยแล้วก็อย่างน้อยบรรเทาตัณหาในอารมณ์ทางายคือย้ายเกิดตัณหามากเกินไปแล้วก็อย่าถ้ามันเกิดก็อย่าถึงกับลั่นเส้นหมายความว่าคุมไว้อยู่ที่จิต อย่าถึงก็ออกมาเป็นวาจาอย่าถึงออกมาเป็นการกระทําแล้วถ้าเป็นวาจาเป็นการกระทําก็อย่าถึงกระล้าเส้นนะอย่าล้าเส้นไปละเมิดสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลเด่อแสดงเห็นว่าตอนนั้นเน่ะใจมันก็โลภะก็ลดลงแล้วตัณหาก็ลดลงแล้วโมหะก็ลดลงแล้วก็อยู่ร่วมกัน ร, ระดับของศีลธรรมจริยา ในขนาะเดียว ก, กันเราต้องมองนะว่าเมื่อเรากล่าวโดยคันมิกะว่าท่คือเป็นขณนะขณะขณะเนี้กระบวนการของปัจจัยการทั้งสิบสองหัวข้อเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นภายในจิตเรารวดเดียวในเราเห็นรูปครั้งเดียวเนี่ยถ้าเราลองสังเกตมันก็เกิดได้ครบแต่เกิดในเชิงที่เป็นนามธรรมไม่ใช่เกิดในเชิงที่เป็นรูปธรรมจนเราเห็นรูปปับเข้ามาเนี่รู้หรือไม่รู้ล่ะ แต่ว่ารู้หรือไม่รู้ก็ตามอ่ะสังขารมันก็เกิดถ้ารู้ดีรู้ชั่วก็เกิดปุญญาภิสังขารถ้าไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วก็เกิดอปุญญาภิสังขารแล้วก็เกิดเป็นบินญาณบินญาณก็เป็นนามรูปเป็นอายตนาเป็นผดระเป็นเวทนาเป็นตนานะฮะตนาอยากได้ทําดีอยากทําดีหรืออยากทําชั่วแค่แต่ะแล้วก็ยึดแล้ก็กลายเป็นพบขึ้นมาความรู้สึกเป็นขึ้นมาภายในใจแล้วกลายเป็นความเกิด ความความรู้สึกว่าเราเป็นนะฮะความรู้สึกว่าเราเป็นมาจาความเยรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าที่แสดงจริงๆเนี่ยแสดงในรูปของสังสารวัตเพราะว่าเป็นกระบวนการสายภาวะจักรคือกลุ่มของของอสมุทัยกับกลุ่มของทุก์เนี่ยมันเป็นกลุ่มของสังสาระจักรคือหมุนวนในรูปของการเพิ่มทุก เพราะ ง, งั้นในแนวปฏิบัติเนี่ยท่านจิงสอนในแนวละแต่ไม่ใช่ละตัวทุกตนะ่ละตัวเหตุไอ้ตัวทุกเราละมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราดับตัวเหตุได้ไอ้ตัวทุกมันกระดับและกลายเก็นเราละความร้อนไม่ได้นะนอกจากเราดับไฟเพราะวาความร้อนมันเป็นผลเกิดมาจากไฟ ในการศึกษาในแนวของปฏิจจสมบาทหรือปัจจัยการจริงๆก็เกิดชีวิตเราในแต่ละขณะในแต่ละวันแล้วก็ขยายออกไปจนคร่อมพบครอบชาดมันไปเชื่อมโยงกับกฎของกรรมกับกฎของสังสารวัฏแล้วท่างสายชนก็จะเห็นว่ามันไปเชื่อมโยงกับอะไรมันไปเชื่อมโยงกับพระยานสามประการของพระพุทธเจ้านะ แต่ว่าตัวเน้นตรงเนี้ยมันจะเน้นตัวตัวอย่างสองข้อแรกยานยานปุเพในวาสานตยานคือการระลึกชาติได้ก็หมายความพระพุทธเจ้านั้นมีชาติก่อนชาติก่อนก่อนก่อนก่อนก่อนไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเป็นโกดกลับอะไรนี่แสดงว่ามีอดีตถ้าไม่มีอดีตก็ระลึกไม่ได้เพราะไม่มีอะไรให้ระลึก แล้วก็ทรงเห็นความแตกต่างกันในอดีตนะหลากหลายโดยชาติกำเนิดโดยสกุลโดยรูปร่างโดยผิวพรรณโดยฐานะโดยอาชีพโดยอายุไขมันก็ต่างกันหมดเลยก็ทำให้เห็นกรรมกรรมมันสืบเนื่องมาจากอะไรว่าสืบเนื่องมาจากกิเลสมากหรือกิเลสน้อยมันก็กิเลสก็มีหยาบกลางละเอียดนะแล้วก็หยาบกลางละเอียดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุ ด, เ ป, ชดเป็นชุดไป คือมันขึ้นอยู่กับเทียบเคียงอะไรท่านวำังลองสังเกตนะคล้ายๆกันห ย, ย, ยาบกลางละเอียดหรือว่าสูงต่ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจุดในเราเที่เราเทียบเคียงสิ่งหนึ่งเราอาจจะสูงกว่าสิ่งหนึ่งแต่สิ่งที่ต่ำนะมาเทียบกับสิ่งที่ต่ำกว่าเขาก็สูงแต่สิ่งที่ที่ต่ำกว่านั้นมาเทียบกับต่ำกว่ากา็เขาก็สูงอีกกับสูงไปเรื่อยๆเลย เพราะมั น, ม, นมันจะเป็นกรอบมาเรื่อยๆเลยยาวกลางละเอียดก็เรียกหินน้ำมัชชีมาปณิตาหินน้ำมัชชีมาปณีตามันก็เรียง่าเป็นชุดๆๆๆๆไปที่จริงก็เป็นธรมนนนธรมชาติอ่ะนะเป็นธรรมชาติเช่นเอาเม็ดทรายนะเม็ดทรายเล็กมันก็มีเล็กกว่าเล็กที่สุดไอ้เล็กที่สุดนะ่ะจริงๆมันต้องไม่เห็นด้วยตาแล้วมันต้องใช้กล้องแว่นขยายแล้วใช้ใช้ใเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจดูแล้วในใเอ็กซเรย์เครื่อง X จุลธาตุนะฮะกล้องจุลธาตุตรวจ ด, ดูนะนี่ก็แสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีอยาากลางปนนี้เขามันเป็นจุดๆจุดจุดกล้ดได้ระดับหนึ่งมันมีระดับหนึ่งระดับหนึ่งมีอีกระดับหนึ่งระดับหนระดับหนึ่งก็มีอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ทําลายได้หมดเนี่ยคือคนที่เข้าถึงอาสวัคยายถ้าทําลายยังไม่ถึงอาสวัคยานมันไปทําลายไม่ได้ แต่อาสวัคยานั้นมันเป็นความสมบูรณ์พร้อมของปัญญาความสมบูรณ์พร้อมกับปัญญาก็คือความสมบูรณ์พร้อมของอริยมรรคมันก็กลายเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันตงฟังทั้งหลายแต่หลงปูพ่พทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี